วันนี้เป็นวันมาค่ะตีละข่างบาเนาะตะข้างอันนี้นี่ได้ไปใช้กันตีอันมีไกี่ตัตวไปตีละคข่างสไปเอิอนค่ะเอิอนเนาะไปตีละข่างได้เอิอนมูเนาะหามูมาตีตะข่างอันไหนเนาะสังเวสนิยสถานสี่ที่พระบรมศาสดาทรงสั่งและสอนไว้ที่พระสูตรหนึ่ง ทิ่รัตตารูที่ปรงอายุสังขารที่ปรินิพานเรียกว่าสี่แห่งเป็นเหตุให้พุทธบริสุทธิ์สัตว์ไะลรึกถึงเพื่อเป็นอตีตารมุมปรองทาสังเวสนละปรงธงทมเคารพของป ร, งรองสมเด็จพระบรมศาสดาาจารย์ของชาวพุทธที่องค์ท่านได้ผ่านมา เมื่อจิตแล้วลึกถึงที่ประสูตรที่ตัททรู้ที่ปรงอายุสังขารที่เข้าสู่พระนานซึ่งเป็นอารมณ์พุทธาธรรมาสังขารนุสติอยู่ในตัวและเป็นบุญกามาพักรูกุลท่านจึงบัญญัติไว้ต่อไปนี่พวกเรามาวาระมาถึงแล้ว ก็จะได้พาสวดมนต์ไหว้พระเป็นพิธีแล้วก็จะได้ปารบในเรื่องเกี่ยวกับพระพุทธศาสนาบ้างเียกน้อยแล้วก็จะไม่ได้เทศนานดอกวันนี้พระจะพากันให้หนักในภาวนาบ้างการภาวนาก็เป็นปฏิบัติบูบชาเหมือนกันที่พระ อ, องค์ทรงสเสนอ ว่าปฏิบัติบูชาเป็นยอดของบูชาทั้งหลายแต่จะเว้นอมิตสะบูชาไม่ได้บูชาจะบูชนณียังบูชาสองอมิตสะบูชาบูชาด้วยอมิตรปฏิบัติบูชาบูชาด้วยปฏิบัติตามทั้งสองอย่างนี้จะเว้นไม่ได้ทีนี่พี่น้องชาวพุทธพากันได้ทานอาหารแล้วหรือยังแต่ว่า ถึงจะไม่ได้ทานบ้าก็พากันอดเอาเน้อต่างบูชาพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์หรือมีอะไรก็พากันไปทาเรื่องกันตามสตรีกำลังโภชเนมตัญุตารู้จักประมาณในการกินอาหารแต่พอสมควรไม่มากไม่น้อยคือหมายความว่า ย, งงยังอีกสี่ห้าคำจะอิม่มก็ให้หยุดซะ ดื่มน้ามแล้วพอดีพระวินยไม่อย่างนั้นอย่าอย่าไปกินจนท้องกลางภาวนายากทรัสงกท่านพูดอย่างนั้นนี่เรียกว่าโพชเนมนตันยุตานอนวันหนึ่งคืนหนึ่งเฉพาะคนหนุ่มบวกการหลับเข้าก็ประมาณสี่ชั่วโมงพอแล้วแต่คนแก่เหมือนอาตมาเนี่ย วันหนึ่งคืนหนึ่งหมวเข้าก็สองท่อชั่วโมงก็ทั้งยากหรือชั่วโมงเดียวก็ทั้งยากเมื่อคืนในครึ่งชั่วโมงท่านน่ะวันนี้กขอรับพี่นอกเกือบวดวันเลยผู้ที่ไปไหว้พระธาตุก็มาแวะที่นี่หนังสือหนังสือมีท่านผู้มีใจบุญหลายท่านหลายคน คุณโยมอรุณีกับคุณทวัชชัยตลอดถึงเฉืียสมหมายก็พิมพ์หนังสือมาว่าถ้าท่านผู้ใดต้องการยังไม่ได้ก็จะให้หรือหากว่ามีแล้วก็ไม่ต้องเอาแต่หนังสือจำนวนนี้ น, น, นั่นพิมพ์อยู่ภาคอีสานมีมากแล้วแต่ท่านผู้ยังไม่ได้ก็คงจะมีแต่ว่าเมื่อท่านผู้ใดไม่สามารถ จะอ่านให้จบก็ไม่ต้องเอาอืถ้าสามารถนึกอยากจะอ่านก็จึงเอาถ้าว่าชี้เกียจอ่านก็อย่าได้เอาทีนี้อาตมาดูหนังสือไม่ได้ดูเพื่อสงสัยพระพุทธศาสนาแม่ครูบาอาจารย์แต่งก็ดีหรือในคัมภีร์ใดๆมาในพระไตรปิฎกก็ดีไม่ได้สงสัยในพระพุทธศาสนาคัมภีร์นี้ท่านแสดงกว้างขวางขนาดไหน ท่านแสดงความย่อให้พิจารณาขนาดไหนหรือท่านอธิบายขนาดไหนมีความหมายยังไงแต่ไม่ได้สงสัยในพระพุธรรมพระสงฆ์และไม่สงสัยในความว่าปฏิบัติของตนด้วยแม้ครูบาอาจารย์ท่านแต่งหนังสือก็ดีเราไปอ่านดูว่าองค์พระอาจารย์องค์นี้ท่านแตกฉันในธรรมะขนาดไหนเท่านั้นแต่ไม่สงสัยการปฏิบัติของตนถึงจะอธิบายน้อยอธิบายมาก ก็มาจากพระพุทธศาสนาคําเดิมตามเดิมนั่นเองที่ดูหนังสือขององค์ท่านผู้ท่านแต่งผู้นี่แต่งไม่ใช่สงสัยเรการปฏิบัติของตนดูว่าองค์ท่านแต่งช้า น, นันธรรมในวินัยขนาดไหนท่านอธิบายลึกขนาดไหนท่านฉลาดวิธีในการเทศนาวิธียังไงบ้างเราดูอย่างนั่นเฉยๆไม่ได้สงสัยในคําสอนในพระพุทธศาสนาเลยเอา้าต่อไปนี่ก็ไหว้พระซะข้ามาหมดแล้ว ไ่าพระแล้วก็เวียนเทียนเปรียงอุทานที่เกศิอาจารย์ท่านผูกไว้อชายยังมาฆะปุณมีมาฆะนักขัดเตนะอันนี้ครู่าอาจารย์ท่านผูกขึ้นเอาอะไรมาเป็นเครื่องผูกก็เอาคำที่พระบรมศ า, าสดาสั่งไหว้นั่นเองว่าเป็นวันที่ควรอลึกถึง เบาตื่นไหมใครตื่นผู้ใดชอบตื่นเสียงตูมๆจำจา ม, ามผู้นั้นยิบใจห่างเหินจากภาวนาพอตูมก็ยึบเลยอย่างนี้แต่บางท่านก็แอบกินกับโรคประสาทที่ต่อไปก็ไหว้าจ้าทีนี้ส่วนศีล พวกเราไม่ต้องรับเป็นพิธีก็ได้หรอกศิ่งห้าเราก็รู้ดีอยู่แล้วหรือจะรับหรือไม่ต้องหรอกพรารู้จากข้อเว้นแล้วก็เว้นเอาเว้นเอาเว้น เ, เอาเลยจะรับสักเพียงไหนถ้าไม่เว้นมันก็ไม่เป็นศีลเวรมณีเวรมณีแปลว่าเวน้นแล้วสิกขาประทังสมาธิามิเป็นสิกขาบทหนึ่งหนึ่งถ้าเราไม่เว้นจะว่าเวรมณีสักเพียงไหนก็ไม่ใช่เวนเวรมณี ถ้าเราเว้นแล้วถึงจะไม่ว่าเวรแมณีก็าตามก็ถูกอยู่แล้วก็เป็นศีลอยู่แล้วศีลทั้งห้าข้อหรือแปดข้อเรานึกว่าจะไม่ร่วงละเมิดมันก็เป็นศีลใช้แล้ว นเรื่องมันจะเป็นเรงช้าแต่ก็ are okay. ลาบะสังคารุกามเลนาสะาะโสทีอวาวันตุเรเป็นห่วงเป็นห่วงเพลงไปจักชับให้ผู้วรีไหานเดี๋ยวเราจะสวดอธิโรเกขาถานุกุ้มแล้วเหมือเชื่องคงทำได้ออธิโรเกสวดหลุมหลวงาเพื่อสินโนโรสิยะ เดินเกษตาหาหนึ่งสัจจคิรภาษาสันติภะษาปัตตานสันตีปาชาอวันชนะมาตาพิพาสานิสันตาชาประเวทขติฏิสมะมหาเกษเกษตวไวห์งมหาปัญชะยิโสริสีนัตเจยิปโสรรสาสุริศานิสุขกางปัตตวาะชาสุริสีนัตเจนเมสโมนัตกเดสจักปาลามีติยี้เป็นสัจจกรณีของขบรมองศาณา เป็นคาถาลกทุ่งสันไฟไม่วัดกล่าวคำถวายดอกไม้ทูปเทียนอัจายั ง, ายงมาคปุณณีนนสัมปัต า, ม, ตามาคนัคเตนะปุณณจันโท ยุตโตญาตหะตัทธะโตอระหังสัมมาสัมพุทโธจารุรังคิเกสวาคัสนิปาเตโอวาท ปาติโมขังอุทิสิตทาหิอัฏฐะเตระสานิสเพสังเยวะขีนาสวานังสเพเตเอหิพิกุกา สเปปิเตอนามันติตาวะภะวะโตสันติกังอาคตาเวรุวเนกะลันทกะนิวาเปมาคปุณณมิยัง วัฒมาณะกัชชายะตัสมินจะสันนิปาเตภคะวาวิสุธุโปสัทถ์สาวกสันนิปาโตอโหสิจาตุรังคิโกอัฏเตระสานิ พิกุสตานิสเพสังเยวะขีนาสวานังมยันธานิอิมังมาคปุณณมีนักตะสมายังตาการสทสังสมป ต, ตา จิระปะรินิพุตัมปิตังภะคะวันตังอนุสสระมานาอิมัตสงตัตสะภะคะวตโตสักขิภูเตเจติเยอิมเมหิทิปะทูปะ ปุพาธิสักการหิตังพระวันตังตานิจะัะเตระสาณิพิกุสตานิอภิปูชยามะสาธุโนพันเตพระควาสสาวกะสังโค สุจิระปรินิพุโตคุเนหิธรมาโนอิเมสักกาเรทุกขตะปันาการะภูเตปติคันหาตุอัมหากังทีคารตังอิตายะสุขายะ วันนี้มาประจวบวันมาคปุรณมีเพนเดือนสา ม, สามพระจันเพนประกอบด้วยเลิกมาคตรงกับวันที่รทรพระตถาคตอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้ า, าได้ทรงแสดงโอวาทปาติโมกขึ้น ในที่ประชุมสาวกสงฆ์พร้อมด้วยองค์สี่ประกา ร, ร, ร, การครั้งนั้นพระภิกษุ1ัน0ององค์ล้วนแต่พระขีนาศบุปสมบทด้วยเอหิพิกุปสัมปทาไม่มีผู้ใดเรียก มาประชุมยังสำนักพระผู้มีพระภาคณเวลุวนารามเวลาตะวันบ่ายในวันมาคปุรณมีและสมเด็จพระผู้มีพระภาคเจ้ า, ด า, จาได้ทรงธรมวิสุทธะอุโบสถ ทรงแสดงโอวาทปาติโมกขึ้นณ <ij on> ที่ประชุมนั้นการประชุมสาวกสงฆ์พ ร, ร้อมด้วยองค์สี่ของพระผู้มีพระภ า, า, า, าคเจ้าแห่งเราทั้งหลายนี้ ไ, นได้มีครั้งเดียวเท่านั้ น, ร น, นพระภิกษุพันส์หองค์ ล้วนแต่พระขีนาศบัดนี้เราทั้งหลายมาประจวบมาครับปุรณมีนักขะตะสมัยนี้ซึ่งคล้ายกับวันจาตุรงคสันนิบาดนั้นแล้วมาระลรึกถึงพระผู้มีพระภาคนั้น แม้ปรินิพานนานมาแล้วจะเคารพบูชาพระผู้มีพระภาคแลพิกษุพันธ์สองอยห้าสิบองค์นั้ น, นด้วยสักการะทั้งหลา ย, ยา ม, ามีเทียนธูปและดอกไม้เป็นต้นเหล่านี้ในเจดียสถานนี้ ซึ่งเป็นพยานของพระผู้มีพระภาคเจ้านั้นข้าแต่พระองค์ผู้เจริญขอเชิญพระผู้มีพระภาคเจ้าพร้อมด้วยสาวกสงฆ์มงแม้ปรินิพานนานมาแล้วด้วยดียังเหลืออยู่แต่พระคุณทั้งหลาย จงทรงรับสการะบรรณาการคนยากเหล่านี้ของข้าพระพุทธเจ้าทั้งหลายเพื่อประโยชน์เพื่อความสุขเก่ข้าพระพุทธเจ้าทั้งหลายสิ้นการละนานเทินคำว่า คำว่ามาคะเป็นชื่อของเดือนคำว่าปุณณมีแปลว่าเป็นวันเพ็ญวันนี้มันเป็นวันที่พระบรมศาสดาปรงอายุสังขารในเวฬวุนารามวัดป่าสวนไม้ไผ่อันเป็นที่อยู่แห่งกระแต ของพระเจ้าพิมพิสารถวายคำว่าปรุงอายุสังขารหมายความว่าแต่นี้ต่อไปเพ็นเดือนหกเราจะถาคตจะได้เข้าสู่พระเพพาลเพราะได้รับอาราธนาของมานแล้วแต่ในเรื่องนี้มีพิจารณามากเรียกว่าปริหปหา เรามหาบาลินิพผานสูตรสูตรที่เกี่ยวแก่กับพระบรมศาสตดาปรงอายุสังขารตลอดถึงเิ้นลมปรานตลอดถึงถวายพระเพลิงตลอดถึงแก่พระสารีริกธาตุพระบรมศาสตดามีอนาคตตังสยานญาณในส่วนอนาคตอตีตังสยานญาณในส่วนอดีต ที่ล่วงมาแล้วชาตินั้นเราเป็นอย่างนั้นชาตินี้เราเป็นอย่างนี้เรียกว่าอตีตังสยานจําได้หมดปัจจุบปนังสยานญานในส่วนปัจจุบันของพระบรมศาสด า, ศ า, ศาก็เป็นญาณอันทองแท้คือเป็นโห้นเอกจะทายอะไรก็ไม่ผิดเลยนิดเดียวก็ไม่ผิดพระบรมศาสด า, ศาแต่พวกเราทายกันอยู่ทุกวันนี่ มันมีแต่อรหันต์ตัวงทางนั้นมันทายกันเลขก็ออกตัวนั้นเลขก็ออกตัวนี้อรหันต์ตัวงทางนั้นแหละพวกอรหันต์ตัวงเละชิบหายวนวายอยู่ทุกวันนี่อันนี้ก็เอาไว้เพียงแค่นี้สะทีนี้กับพระอานนท์พระอานนท์เป็นผู้อุปถากพระบระมศาสดาเมื่อพระบระมศาสตาปรงอายุสังหารแล้วแผ่นดินก็ไหว เมื่อแผ่นดินไหวแล้วพระอาหนุนก็ไปกราบทูลว่าข้า พ, พระองค์น่าอาจารย์แผ่นดินไหวเออแผ่นดินไหวก็เพราะเหตุว่าเรารับนิมนต์ของพญามานพญามานมานิมนต์ให้เราเข้าสู่พระนิพพานเพราะพุทธบริษัทบริบูรณ์แล้วภิกษุณีอบาสกอบาสิกาพระธรรมทั้งหลาย ก็บัญญัติบริบูรณ์แล้วขอพระผู้มีพระภาคเจ้าจงเข้าสู่อนุภาษิเศสนิพานเถิดอย่าเลยมานเอย๋ยมาโลภาปิมะเรารูดีแล้วอยาขนขวายเรามากนี่บนข้างที่สองที่สามพระบรมศาสดาก็เลยรับเมื่อพระบรมศาสด า, ารับแล้วแผ่นดินไหวพระอานุรังเกลู้ตัว มาการาบูลพระบรมศาสานาว่าแผนดินไหเออแผนดินไหวนี่มันมีอยู่แปดอย่างลมกำเริบหนึ่งท่านผู้มีฤทธิ์บรรดานหนึ่งพระโพธิสัตว์ถือปฏิสนธิหนึ่งพระโพธิสัตว์ประสมหนึ่งพระโพธิสัตว์ตัสรูหนึ่ง พระโพธิสัตว์แสดงธรรมจักหนึ่งพระโพธิสัตว์ปรงอายุสังขารหนึ่งพระโพธิสัตว์เข้าสู่อนุปาทิเสสนิพานหนึ่งเออถ้าอย่างนั้นพระองค์ก็คงจะปรงอายุสังขารแล้วกระมังพูดเพื่อให้เข้าใจง่าย เราโปรงอายุสังขารแล้วเพราะพยามารมาในมนเราเออถ้าอย่างนั้นก็ขอพระบรมาศาสตราญ า, ารีบนิมนญาเรียบปณิพานเถิดเออเราได้รับนิมนต์ของมารเสียแล้วมันสายไปเสียแล้วอานุนเอ๋ยในเมืองราชคฤห์มีสิบตำบล ในเมืองเวสาลีมีสิบตำบนมีหกตำบนสถาน16หกตำบนนั้นเราได้แสดงให้เธอฟังแล้วว่าเราตถาคตนี้เปรียบเหมือนเกวียนที่ชำรุดซ่อมแซมด้วยไม้ไผ่พาาระอนุนก็ไม่เข้าใจความหมายของเราพาาระอนุนก็ไม่อาราธนาเราไว้เออถ้าอย่างนั้นเก้ากระผมก็จะนิมนต์พระองค์เจ้า อยู่ไปอีกกับหนึ่งหรือครึ่งกับพระอานอนท์ก็ไม่ว่าซะเราแสดงให้พระอานอนท์ถึงสิบครั้งและสิบหกครั้งรวมทั้งเมืองเวสาลีเป็นเป็นหกครั้งเมืองราชคือสิบครั้ง1ิบสถานภูเขาขิดจะกูดเป็นที่หนึ่งถ้ำสตะบนนะรรณคูหาข้างภูเขาเวผานบรรพทเป็นที่สอง เหวที่ทิ้งโจรว่ากาลสิลาข้างภูเขาคิดจะกูดบ้างเราก็จําไม่ชัดมันมีสิบหกตำบลในศาลที่สิบหกตำบลนี่เองพระอานนท์ไม่ในมนเราเราแสดงโอภาษให้พระอานนท์แล้วก็เป็นความเผิดพระอานนท์ผู้เดียวถ้าหากว่าพระอานนท์ในมนเราข้างที่หนึ่งเราก็จะไม่รับ ครั้งที่สองเราก็ไม่รับครั้งที่สามเราก็จะรับเธอจะอยู่ไปอีกครึ่งกับหรือกึง่งหรือกับหนึ่งดังนี้เป็นต้นเวลานี่สายไปเสีแล้วอรวนเอ๋ยนี่เราพูดอย่างย่อแต่ในประวัติของะสมพระสสโพธ์มีพิสดารที่นี่ครูบาอาจารย์ ท่านก็เลยมาบัญญัติไว้ให้เป <Yeah. S 1> ็นมาฆปุณณีมาฆแปลว่ามาฆบูชาที่พระบรมศาสดาทรงสนับสนุนว่าการปฏิบัติบูชาเราจะถาคตด้วยดอกไม้ทูปเทียนก็ได้บุญอยู่แต่แม้เท่าปฏิบัติบูชาท่าพูดอย่างนั้นและวันนี้เราก็ขึ้นมากันหมดแล้ว ทางข้างล่างก็เปรียวมากแต่ไม่เป็นกังวลหรอกแต่ก็หากว่าน่าพิจนามากมีปัญหาสอดเข้ามาว่าถ้าไม่เราไม่ทำมาฆปุญนมเมหรือวิสาฆปุญนมเมเราเดินโงกรมภาวนาอยู่จะจัดเป็นบูชาพระถาคตเจ้าได้หรือไม่ก็จัดเป็นบูชาพระธาคดเจ้าได้เหมือนกันปูชาจะปูชนียานัง บูชาด้วยอามิตรบูชาด้วยปฏิบัติบูชาเป็นคําสอนของพระพุทธเจ้าทั้งหลายเอตมังฆะมุตตะมังเป็นมงคลอันอุดมดีของพระพุทธเจ้าของชาวโลกทั้งหลายเนลึกถึงคุณพระพุพทธธรรมพระสงฆ์อยู่ก็เรียกว่าปฏิบัติบูชาการมีปัญหาสอดเข้ามาว่าคําว่ามาคะบูชาเนี่ยจะบูชาได้ แต่วันมาฆะหรือวันวิสาขะนั่นก็หาไม่ใครปฏิบัติที่ไหนก็เรียกว่าปฏิบัติบูชาหรืออเมศวรบูชาอยู่ไม่มีกลวันกลางคืนพอมาถึงวันแล้วท่านก็รักษาประเพณีไหว้เฉยๆหรอกไอ้ที่แท้ผู้ใดมีทานมีศีลมีภาวนาและลึกถึงคุณพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์อยู่ก็เรียกว่าบูชาพระตถาข้เจ้าหรือพระธรรมพระอริยสงฆ์ หรือจิตใจของตนอยู่ไม่มีกลางวันกลางคืนผู้ภาวนาพุทโธพุทโธอยู่ไม่มีกลางวันกลางคืนเรียกว่าปฏิบัติบูชาเหมือนกันมีทานะไม้ศีลละไม้ภาวนาไม้เป็นต้นเรียกว่าปฏิบัติบูชามีอปจจายะนะไม้บรรลุธร็จด้วยการประพฤติถ่ตนแก่ผู้ใหญ่ก็เรียกว่าปฏิบัติบูชาเยายวัจจะไม้บนรําเร็จด้วย คนไา่ในทางที่ชอบก็เรียกว่าปฏิบัติบูชาปฏิทานไม้บนแทเบ็ดด้วยการให้ส่วนบุญก็เรียกว่าปฏิบัติบูชาพระธรรมบุญแล้วอุทิศให้แก่บิดามารยาตุปุญญาตาทวดหรือทั่วทั้งใจโลกธาตุเรียกว่าปฏิทานไม้ก็เรียกว่าปฏิบัติบูชาธรรมเทศนาไมเทศนาก็เรียกว่าปฏิบัติบูชาเหมือนกัน ธรรมะสวรรคหม่การฟังธรรมก็เรียกว่าปฏิบัติบูบชาทิฏฐุชุกรรมการทําความเห็นใ้ตรงว่ามีบาปมีบุญก็เรียกว่าปฏิบัติบูชาระลึกถึงทานวัตศีลวัตรภาวนาวัตรที่ตนทําแล้วก็ดีที่กําลังจะทําอยู่ก็ดีที่จะไปข้างหน้าก็ดีก็เรียกว่าปฏิบัติบูบชาพวกที่ถึงพระพุทธธรรมพระสงฆ์มีพระพุทธศาสนาเป็นอารมณ์ของจิตของกายอยู่ ก็เรียกว่าปฏิบัติบูชาพระธัชคตและพระธรรมพะระนิยสงฆ์อยู่ไม่มีกลางวันกลางคืนผู้เลื่อมใสในว่าพุทธธรรมพระสงฆ์อยู่ไม่ถอยหลังก็เรียกว่าบูชาพระพุทธธรรมพระสงฆ์เรียกว่าปฏิบัติบูชาอยู่ไม่ถอยหลังสิ่งไหนที่เป็นบุญเราทําลงไปในท่งพระพุทธศาสานาก็เรียกว่าบูชาทั้งนั้นมีอาเม ษ, ษะบูชาบูชาด้วยอาเมษ ปฏิบัติบูชาบูชาด้วยปฏิบัติอันมีอันมีในทำหมวดสองปฏิสันฐานสองก็เหมือนกันอาเมสสะปฏิสันฐานปฏิสันถ า, านด้วยอาเมสคือน้ำหรือที่อยู่ที่พักตามเสตีกำลังธรรมะปฏิสันถานปฏิสันถานโดยธรรมปารลธรรมะก็ที่เรียกว่าปฏิบัติบูชาอยู่เหมือนกันเราเลื่อมใสในพระพุทธธรรมพระสงฆ์อยู่ไม่มีกลางวานันกลางคืน ก็เรียกว่าเราบูชาพระพุทธธรรมพระสงฆ์อยู่ไม่มีกลงวนันกลางคืนไม่สงสัยในวระพุทธธรรมพระสงฆ์ก็เรียกว่าไม่สงสัยในบูชาพระพุทธธรรมพระสงฆ์อยู่ในตัวเราถือผีก็เรียกว่าบูชาผีอยู่ไม่มีกลงวนันกลางคืนเราถือเลิกดียามดีก็เรียกว่าบูชาเิกดียามดีอยู่ไม่มีกลงวนันกลางคืนแต่พระพุทธศาสนาไม่ส่งเสริมเพราะไม่ใช่ทางทีนี้ต่อไป จะไม่ได้เทศมากดอกวันนี้เพราะก็มีแต่คนเก่าทนี้ต่างคนก็ต่างฟังเทศในกรรมฐานของตนในลมหายใจเข้าออกของตนเรียกว่าปฏิบัติบูบชาหรือในภาวนาของตนเรียกว่าปฏิบัติบูบชาพระอรหันต์บูชาพอแล้วพ้นไปแล้วพวกเรายังขาดในการบูชาอยู่เราไม่อยากบูชากิเลสเราอยากจะบูชาพระพุทธธรรมประสงค์ จึงมีธานวัตศีลวัตภาวนาวัตเพื่อวัดเวียงกิเลสและความหลงของตนให้ออกหนีจากคันธะสันดานการทำบุญจะปฏิเสธไม่ได้การอาบน้ำปฏิเสธไม่ได้ชั้นใดเพราะมันสกปกโส ม, มสกุร่างกายการปฏิบัติพระธรรมพระอริยสงฆ์ในกิตในใจซึ่งใจมีกิเลส ก็ปฏิเสธไม่ได้เหมือนกันถ้าไม่ปฏิบัติศีลธรรมกิเลสบรรจุกปุกร่างกายสกุลละใจบรรจกระปุกสกุลระกายกปุกก็อาบน้ำเท่านั้นมีหนทางแก้ทางเดียวส่วนสกุลละใจกปุกก็ปฏิบัติบูชาเมตนานวัตศีลวัตภาวนาวัตตามสติของกําลังของตนแต่ละท่านแต่ละคนจนถึงที่สุดทุกโดยชอบแต่ผู้ปฏิบัติบูชาชั้นสูง ก็หนักไปในทางภาวนาพิจารณาสังขารไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาด้วยพิจารณาโลกเกิดขึ้นแล้วแปรปวนแตกสลายไม่เป็นหน้าไว้ใจอันใดเลยอันนี้ผู้ปฏิบัติทมชั้นสูงแล้วเนี่ยหาอุบายหาเหลี่ยมที่จะรุจะพ้นออกจากความหลงของตนก็เรียกว่ามหาปฏิบัติบูบชาอีกเหมือนกันสิ่งไหน ที่บูชาพระสมาสพรพุทธเจ้าหรือตลอดถึงพระธรรมพระสงฆ์ได้สิ่งนั่นก็บูชาใจของตนได้เหมือนกันเพราะพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์อยู่ที่ดวงใจเราอธิษฐานี่ใจต่อไปนี้ก็จะให้พรยาพิสดารแล้วขอให้พี่น้องชาวพุทธของเราตั้งใจภาวนาตามสติกำลังของตนแต่ละท่านเป็นแต่ละท่านเป็นอิสระของใครข้องมันนั่นเถิด สิริสติมติเตโชยชยสิทธิมหาคุณาปนิมิ ต, ตะปุญญาธิการและสสะพันธ์ญาณิวานณะสมัชชัสสะพระวโตโตนาโตสัมมาสัมพุทธะทั่วทิงสามหาปุริสักล า, า, านุภาเวนะอสีตยานุพยัญชนะโนภาเวนะอัตุตระชะมังคราโนภาเวนะชับพันานาสัยญานุภาเวนะเกตุมาลานุภาเวนะทัะปานมิตานุภาเวนะ ทัศอุปปาณาโมภาเวนะทัศปรมัทัพปาณาโมภาเวนหะสีลสมาธิปัญญาโนภาเวนะพุทธานุภาเวนหะธัมมานุภาเวนะสังฆานุภาเวนะเตชานุภาเวนะอิทานุภาเวนะพระรานุภาเวนะเยยะธัมมานุภาเวนหะจตุรสีติสาตธรรมกันธาโนภาเวนะ นวโรกุตระธรรมานุภาเวนะอัถถังคิกามานุภาเวนะอัทธสมาปฏิยานุภาเวนะเชลพิญญานุภาเวนะจตุสัจญานานุภาเวนะทัสะพละยานุภาเวนะทัสะพละยานุภาเวนะนั้น <sage> ก <send> ็ค <ga> ือทศพญญาณสิบสัพญุตญานานุภาเวนะเมตตากรุณามุทิตาอุเปคขานุภาเวนะ สัพพาริตตาโนภาเวพระปริตทั้งหลายในสิบสองตำนานรัตนะแตยะสรณ า, านุภาเวเรียกว่ารัตนะไตตุยหังสัพพโลคสกุปัตภะทุกโทมณตุปายาสาปิวินัตสันตุสัพพอันตรายาปิวิรัตสันตุสัพพสังกปาตุยหังสมมศชันตุทีคายุตตาตุยหังโหนตุสะตะวัตสชีเวนสมางชิโกโหตุสัพทา อากาสปปภัตวนะณะภูมิคังคามหาสมุทาอารักกาเทวตาสทาตุมเหออนุรักษขั้นตุเรียกว่ามงคลจั ก, กรวาลใหญ่สัพพุทธาเนเรียกว่ามงคลจั ก, กรวาล น, น้อยภาวะตุสัพมังคลังละขันตุสัพเทวตาสัพพุทธานุภาเวนะสตาโสตถีพระวันตุเตภาวะตุศพมังคลังละขันตุสัพเทวตา สัพพะธรร ม, มานุภาเวนะสตาโสถีพระวันตุเต พ, พ, พระวัตถุัพมังคังรังคันตสัพพเทวตาสัพพะสังฆานุภาเวนะสตาโสถีถพระวันตุเตอยู่ทุกเมื่อไม่มีประมาณพ้นทุกข์ดาวตาสงสารตามสติกำลังของตนอยู่ทุกเมื่อเทินปัจจุบันนัจิตปัจจุบันธรรมอันใดที่ลดโทษแม้ครับกบอ่อเมละเศษเราทั้งหลายทุกต้นหน้าทุะตังไตรโรกา จงรู้ตามเป็นจริงปฏิบัติตามเป็นจริงหลุดพ้นตามเป็นจริงโดยไม่เหลืออยู่ทุกงานนั่นเทินพูดไปมากก็ได้หารลงมาหาปัจจุบันก็ไม่จําเป็นจะพูดมากละภาวนาซะวันนี้พูดวันยังข่ําเลยเหนื่อยแต่เช้ามานี่ตั้งรานแล้ววันนี้ไร้หมู่ไร้หมวดเช้าแล้วก็เที่ยงเก็บเที่ยงจริงได้จับเกือบเที่ยงจริงได้ขึ้นมา วันนี้ก็มดวันวา น, นนี่ก็มดวันเราไม่ขาดทุนเราถือว่าเราได้ให้ธรรมทานอยู่ทุกวันสัพพทานางังธรรมทานังชีนาติให้อะไรเป็นทานก็ไม่เท่าให้ทำเป็นทานให้ทาเป็นทานชนะทานทั้งปวงถือว่าได้ให้ธรรมทานอยู่ทุกวันทุกวันทุกวันเลยเมื่อเราเทศออกไปด้วยเจตนาดีแล้วท่านผู้ฟังจะเอาหรือไม่เอาเราก็ไม่เสียเราก็ได้บุญอยู่เต็มภูมิ น้าป่านี่พาหลวกเมื่อสะไปไปทำบาศมัน่าวไปนักทางภาวานานักเทศถ้ายังไม่พ้นทุกข์ก็เป็นนักโทษอยู่ในตัวนั่นเองนักเทศล้วไม่ลงธรรมารดอกถึงแม้หลวงปู่เทศสั้นแต่ละท่านละท่านก็เทศยาวอยู่ทุกคนทุกคนอยู่เพราะความแก่ก็แก่อยู่ไม่มีกลางวันกลางคืนไม่ลงธรรมะ ความเปื่อยเน่าในสกุลหนร่างกายของเราก็ไม่ลงธรรมะความเกิดขึ้นแปรปวนและแตกสลายก็ไม่ลงธรรมะพวกเรานั่งฟังเทศหรือเดินฟังเทศหรือยืนฟังเทศหรือนอนฟังเทศก็ได้นอนไหมความว่านอนไม่หลับหลับแล้วก็เป็นเรื่องของหลับไปซะไม่มีเอวังความเปือ่อยความเน่าอยู่ในสกนลรกายของเราก็ไม่มีเอวังและก็ไม่มี มาคะและวิสาขาด้วยจริงอยู่ไม่มีกลางวันกลางคืนความแก่แก่ตายก็จริงอยู่ไม่มีกลางวันกลางคืนไม่ลงธรรมาทิควันเปื่อยเน่าในแท้กลไกายก็จริงอยู่ไม่มีกลางวันกลางคืนไม่ลงธรรมาทิอันนี้จังทุกครั้งอนัตตาก็จริงอยู่ไม่มีกลางวันกลางคืนไม่ลงธรรมาทิทำไฟเกิดไฟดับก็จริงอยู่ไม่มีกลางวันกลางคืนไม่ลงธรรมาทิไม่ขึ้นอยู่กับผู้เห็นไม่ขึ้นอยู่กับผู้ไม่เห็นเราต้องพิจารณาตามจริง